อุเบกขาสมาณ น, นาคตะกถ า, าว่าด้วยผู้บริบูรณ์ด้วยอุเบกขา397รกสกพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยอุเบกขาหใช่ไหมปรใช่สกพระอาหารหันต์บริบูรณ์ด้วยปัสสะหเวทนาหสัญญาหปัญญาหกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระอาหารหันต์บริบูรณ์ด้วยอุเบกขาหกใช่ไหม ปรใช่สกพระอรหันต์เห็นรูป <osium los ica> <sim lose> ทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผดพะทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจเมื่อรู้ธรรมารมณ์ทางใจจึงเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องพผพผะทางกายใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก พรอาหารหันต์บริบูรณ์ด้วยอุเบกขาหกใช่ไหมปอรอใช่สกพระอาหารหันต์บริบูรณ์มั่นคงด้วยอุเบกขาหกหนึ่งเมือ ง, องสมำเสมอไม่ระคนกันอุเบกขาหกปรากฏใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรอท่านไม่ยอมรับว่าพระอาหารหันต์บริบูรณ์ด้วยอุเบกขาหกใช่ไหมสกใช่ปอรอพระอาหารหันต์มีอุเบกขาหกไม่ใช่หรือ สกใช่ปรหาพระอรหัน์มีอุเบกขาหกดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระอรหัน์บริบูรณ์ด้วยอุเบกขาหกอุเบกขาสมันนาคตกถาจบหกโพธิยาพุทธโทธติกถาว่าด้วยชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรุสามร้อยเก้าสิบแปดสกชื่อว่าพุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ใช่ไหมปรใช่สกเมื่อปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ดับไปหายไประงับไปแล้วไม่จัดว่าเป็นพุทธะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ใช่ไหมปรใช่สกชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นอดีตใช่ไหม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 ที่เป็นอดีตนั้นใช่ไหมปอรอใช่สกกําหนดรู้ทุกขละสมุทัยทําทให้แจ้งนิโรธเจริญมรดุด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัสรู้ที่เป็นอดีตนั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัสรู้ใช่ไหมปอรอใช่สกชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัสรู้ที่เป็นอนาคตใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั devant, yi, ้นสกอชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรูที่เป็นอนาคตใช่ไหมปอรอใช่สกอทำกิจที่ควรทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรุที่เป็นอนาคตนั้นใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอทำกิจที่ควรทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรุที่เป็นอนาคตนั้นใช่ไหม ปรใช่สกกําหนดรู้ทุก์เจริญมากด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นอนาคตนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นปัจจุบันทำคิดที่ควรทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นปัจจุบันนั้นใช่ไหมปรใช่สก ชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นอดีตทำกิจที่ควรทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นอดีตนั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกรชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นปัจจุบันกําหนดรู้ทุกข์และสมุทัยทําให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นปัจจุบันนั้นใช่ไหมปรอใช่ สกชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นอดีตกําหนดรู้ทุก์เจริญมรดุด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นอดีตนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นปัจจุบันทํากิจที่ควรทําด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัสรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นปัจจุบันนั้นใช่ไหมปรใช่สก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 ชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัสรุที่เป็นอนาคตกําหนดรู้ทุก์เจริญมักด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัสรุที่เป็นอนาคตนั้นใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัสรุที่เป็นอดีตแต่ไม่ทํากิดที่ควรทําได้ปัญญาเป็นเครื่องตัสรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัสรุที่เป็นอดีตนั้นใช่ไหมปอร์ใช่สกอ ชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัสรู้ที่เป็นปัจจุบันแต่ไม่ทำคิดที่ควรทำได้ปัญญาเป็นเครื่องตัสรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัสรู้ที่เป็นปัจจุบันนั้นใช่ไหมปรรอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัสรู้ที่เป็นอดีตแต่ไม่กำหนดรู้ทุกจเจริญมักด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัสรู้ที่เป็นอดีตนั้นใช่ไหมปรรอร์ใช่สอกชื่อว่าพุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นปัจจุบันแต่ไม่กําหนดรู้ทุก์เจริญมากด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรุที่เป็นปัจจุบันนั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นอนาคตแต่ไม่ทํากิจที่ควรทําด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นอนาคตนั้นใช่ไหมปอรอใช่สกชื่อว่าพุทธะ เพราะปัญญาเป็นเครื่องจัดสรู้ที่เป็นปัจจุบันแต่ไม่ทำกิจที่ควรทำด้วยปัญญาเป็นเครื่องจัดสรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องจัดสรู้ที่เป็นปัจจุบันนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องจัดสรู้ที่เป็นอนาคตแต่ไม่กำหนดรู้ทุกเจริญมักด้วยปัญญาเป็นเครื่องจัดสรู้ที่เป็นอนาคตนั้นใช่ไหมปรใช่สก ชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นปัจจุบันแต่ไม่กําหนดรู้ทุก์เจริญมักด้วยปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นปัจจุบันนั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามรกสกชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันใช่ไหมปอรอใช่สอกรชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้สาอย่างใช่ไหม ปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องจัดสรู้สามอย่างใช่ไหมปอรใช่สกพระพุทธะบริบูรณ์มั่นคงด้วยปัญญาเป็นเครื่องจัดสรู้สามอย่างเนืองเนืองสม่ำเสมอไม่ระคนกันปัญญาเป็นเครื่องจัดสรู้สามอย่างปรากฏใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรท่านไม่ยอมรับว่า ชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ใช่ไหมสกใช่ปรชื่อว่าพุทธะเพราะได้ปัญญาเป็นเครื่องตัสรู้ไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากชื่อว่าพุทธะเพราะได้ปัญญาเป็นเครื่องตัสรู้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้สกชื่อว่าพุทธะเพราะได้ปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพุทธะเพราะปัญญาเป็นเครื่องจัดสรู้ใช่ไหมปรใช่สกชื่อว่าโพธิเพราะได้ปัญญาเป็นเครื่องจัดสรู้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นโพธิยาพุทโทธติฆาจบเจ็ 7. ลักษณะฆาว่าด้วยลักษณะ 400. สี่ร้อยสกผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะ เป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมปรใช่สกผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะบางส่วนเป็นพระโพธิสัตว์บางส่วนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมปรใช่สกผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะสามส่วนเป็นพระโพธิสัตว์สามส่วนใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะ karaoke, เป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมปรใช่สกผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะครึ่งหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ครึ่งหนึ่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะ gravit, เป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมปรใช่สกพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะ พระเจา้าจักรพรรดิก็เป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะพระเจ้าจากักรพรรดิก็เป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมปรใช่สกบุพเพประโยคบุพพจริยาการบอกกล่าวธรรมการแสดงธรรมของพระโพธิสัตว์เป็นเช่นไรบุพเพประโยคบุพพจริยาการบอกกล่าวธรรม การแสดงธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นเช่นนั้นใช่ไหมปอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น401สกเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติหมู่เทวดารับก่อนหมู่มนุษย์รับภายหลังฉันใดเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิประสูติหมู่เทวดารับก่อนหมู่มนุษย์รับภายหลังฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติ เทพบุตรสี่องค์รับพระโพธิสัตว์นั้นแล้ววางไว้ตรงพระพักของพระมารดาแล้วทูลว่าข้าแต่พระเทวีขอพระองค์จงพอพระไทัยเถิดพระโอรสผู้มีศักใหญ่ของพระองค์ประสูติแล้วฉันใดเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิประสูติเทพบุตรสี่องค์รับพระเจ้าจักรพรรดนั้นแล้ววางไว้ตรงพระพักของพระมารดาแล้วทูลว่าข้าแต่พระเทวีขอพระองค์จงพอพระไทัยเถิด พระโอโรสผู้มีศักดิ์ใหญ่ของพระองค์ประสูติแล้วฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติทานน้ำทั้งสองคือทานน้ำเย็นและทานน้ำร้อนไหลลงจากอากาศชนทั้งหลายสงพระโพธิสัตว์และพระมารดาฉันใดเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิประสูติทานน้ำทั้งสองื่อทานน้ำเย็นและทานน้ำร้อนไหลลงจากอากาศ ชนทั้งหลายทรงพระเจ้าจักรพรรดิและพระมารดาชั้นนั้นเหมือนกันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอพระโพธิสัตว์พอประสูตแล้วเดี๋ยวนั้นประทับเยืเนด้วยพระบาททั้งสองอันราบเรียบบายพระพักู่ทิศเหนือดำเนินไปได้เจ็ดเก้ามีฉัดขาวกั้นตามไปทรงแลดูทิศทั้งปวงและเปล่งอาศพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นใหญ่ในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐในโลกนี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกฉันใดพระเจ้าจั ก, กรพรรดิพอประสูตธ์แล้วเดี๋ยวนั้นประทับยืนด้วยพระบาททั้งสองอันราบเรียบบายพระพักสู่ทิศเหนือดำเนินไปได้เจ็ดเก้ามีชัดขาวกั้นตามไปทรงแลดูทิศทั้งปวงและเปล่งอาสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นใหญ่ในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลก นี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูตรย่อมปรากฏแสงสว่างรัศมีอันเ จ, จ, จิดจ้าแผ่นดินไหวอย่างสะทานสะเทือนฉันใดเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิประสูตรก็ย่อมปรากฏแสงสว่างรัศมีอันเ จ, จ, จิดจ้าแผ่นดินไหวอย่างสะทานสะเทือนฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหม ปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระกายตามปกติของพระโพธิสัตว์ใช้พระรัศมีออกไปวาหนึ่งโดยรอบชั้นใดพระกายตามปกติของพระเจ้าจักรพรรดิก็ใช้พระรัศมีออกไปวาหนึ่งโดยรอบชั้นนั้นเหมือนกันใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระโพธิสัตว์ทรงมหาสุบินชั้นใดพระเจ้าจักรพรรดิก็ทรงมหาสุบินชั้นนั้นเหมือนกันใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น402ปอรอท่านไม่ยอมรับว่าผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมสกใช่ปอรอพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิสุทั้งหลายมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยลักษณะ32ประการมีคติเพียงสองอย่างเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือหนึ่งถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราบโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีพระราชอาณาจาักมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจดประการคือหนึ่งจากแก้วสองช้างแก้วสมมาแก้วสมณีแก้วห้านางแก้วหกผ้าพดีแก้วเจปรินายกแก้ว มีพระราชโอรสมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชสัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขตสองถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลก มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นผู้บริบูรณ์ด้วยพระลักษณะจึงเป็นพระโพธิสัตว์ได้และขณะกถาจบแปดนิยามโอกันติกถาว่าด้วยการอย่างลงสู่นิยาม403สอกอพระโพธิสัตว์อย่างลงสูนิยาม พระพฤหกรรมจันแล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปัสสปะใช่ไหมปรใช่สกพระโพธิสัตว์เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระโพธิสัตว์เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะใช่ไหมปรใช่สกเป็นสาวกแล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นสาวกแล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมปรใช่สกเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยการรับฟังใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยการรับฟังใช่ไหมปรใช่สกพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระชยามภูมิใช่หรือปรใช่ สกหากพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระสยามผู้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยการรับฟังสกพระโพธิจักรยังลงสูญนิยามพระพุทธพระมรรจันแล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะใช่ไหมปรใช่สกพระผู้มีพระภาคตรัสรู้สามัญญผลเพียงสามเท่านั้น ณควงไม้โพใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระผู้มีพระภาคตรัสรู้สามัญญผลสี่ณควงไม้โพใช่ไหมปอรอใช่สกหากพระผู้มีพระภาคตรัสรู้สามัญญผลสี่ณควงไม้โพท่านก็มีควรยอมรับว่าพระโพธิสัตว์อย่างลงศูนิยาม ประพื่อพรมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะ404สกพระโพธิสัตย์ยังลงสูนิยามประพฤติพรหมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะใช่ไหมปอรอใช่สกพระโพธิสัตย์ได้ทาทุกรกิริยาการทำความเพียรที่คนทั่วไปทำได้ยากใช่ไหมปอรอใช่ สกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทัศนะโสดาปติมักจึงทำทุกรกรกิยาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญตบะอย่างอื่นและนับถือศาสดาอื่นใช่ไหมปรใช่สกบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทัศนะจะพึงนับถือศาสนาอื่นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ท่านพระอานนท์ยังลงสูงนิยามประเพฤติพรหมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคดังนั้นท่านพระอานนท์จึงเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคใช่ไหมปรใช่สกพระโพธิสัตว์ยังลงสูงนิยามประเพฤติพรหมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะดังนั้นพระโพธิสัตว์จึงเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท่านจิตตะฆาพดีท่านหัตถกะชาวเมืองอลาลวียังลงสูนิยามปพะเพื่อพรมจาร์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคดังนั้นจิตตะหบดีท่านหัตถกะชาวเมืองอลาลวีจึงเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคใช่ไหมปรใช่สกพระโพธิสัตว์ยังลงสูนิยาม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 ปอรอใช่สกแท่านพระอานนท์อย่างลงสูนิยามประพฤติพรหมจรรย์แล้วในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคแต่ไม่ได้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระโพธิสัตว์อย่างลงสูนิยามประพฤติพรหมจรรย์แล้วในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะ แต่ไม่ได้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะใช่ไหมปรใช่สกท่านจิตตะข้าบดีท่านหัตถกะชาเมืองอารวียังลงสูนิยามประเพฤตพรหมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคแต่ไม่ได้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระโพธิสัตว์ยังลงสูนิยาม รพระพุทธพระมารด์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากระสปะแต่ไม่ได้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากระสปะใช่ไหมปอรใช่สกเป็นสาวกล่วงไปชาติหนึ่งแล้วกลับไม่เป็นสาวกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส0 5ร้อยห้าปอรท่านไม่ยอมรับว่าพระโพธิสัตว์อย่างลงสูนิยาม ประพฤตพรหมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสสปะใช่ไหมสอกอใช่ปรพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานนท์เราได้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วในพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสสปะเพื่อความตรัสรู้ในอนาคตมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า พระโพธิสัตกรยังลงสูน Л ิยามประพฤติพรหมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะสกพระโพธิสัตกรยังลงสูนิยามประพฤติพรหมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะใช่ไหมปรใช่สกพระสู่ที่พระผู oh. ะ้มพีพระภาคตรัสไว้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า เราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงนม่ได้แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวงและธรรมทั้งปวงได้สิ้นเชิงหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาตรัสรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงอ้างใครเล่าเราไม่มีอาจารย์เราไม่มีผู้เสมอเหมือนเราไม่มีผู้ทัดเทียมในโลกกับทั้งเทวโลกเพราะเราเป็นอรหันต์เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเพียงผู้เดียวเป็นผู้เยือกเย็น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 เราชนะความชั่วได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าพระชินนะมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าพระโพธิสัตว์ยังลงสูนิยามประพฤติพรหมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัสสปะสกพระโพธิสัตว์ยังลงสูนิยาม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 นี้ทุกขะสมุทยาอริยสัจพิสุททั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้ว แ, แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสะดับมาก่อนว่าทุกขสมุทยาอริยสัจนี้ควรละพิสุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสะดับมาก่อนว่าทุกขสมุทยอริยสัจเราละได้แล้วพิษุทั้งหลาย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 พระโพธิสัตย์ยังลงสู่นิยามพระเพื่อพรหมจรรย์แล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะนิยามโมกันติกถาจบเก้าอปาราปิสมานนาคตากถา ว่าด้วยผู้บริบูรณ์อีกเรื่องหนึ่ง406รกสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอารัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผลสามใช่ไหมป ร, รใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอารัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยภาษสี่เวทนาสสัญญาสเจตนาสี่จิตสศ่ัทธาสวิริยะสสติสี่ สมาธิ่สปัญญาสี่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผลสองใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยภัษาสามเวทนาสาปัญญาสามใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกบ <Be festivals> ุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยพระสัจสองเวทนาสองปัญญาสองใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผล เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมป ร, รใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลเป็นพระโสดาบันผู้สัตตักขตุประมะโคลังโกละเอกรพีชีใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิพนใช่ไหมป ร, รใช่ สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลเป็นพระสกะทาคามีใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี ปุปหัจเจปริณิพายีอาสังขาระปริณิพายีสสังขาระปริณิพายีอุทังโสโตโอกนิธะคามีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคาไม่ผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคาไม่ผลเป็นพระโสดาบัน ผู้ศักดิ์คัตุประมะโกลังโกละเอกรพีชีใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกะทาคามิผลใช่ไหมปอรอใช่สอกอบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นพระสกะทาคามีใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอ บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นพระโสดาบันผู้สัตตกขตุปรมะโกลังโกละเอกพีชีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น407 ส, สกบุคคลผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพน ท่านยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมป ร, รใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมป ร, รใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลกับพระโสดาบันเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลผู tama, so, like, so, like, so, like. ้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลท่านยอมรับว่าเป็นพระสกทาคามีใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลกับพระสกทาคามีเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกผู้บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผล om, ท่านยอมรับว่าเป็นพระอนาคามีใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลกับพระอนาคามีเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สาากผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธท่านยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมบรใช่สาากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธใช่ไหมบรใช่สาากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลกับพระโสดาบันเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมบรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลท่านยอมรับว่าเป็นพระสกะทาคามีใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลกับพระสกะทาคามีเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผู้บริบูรณ์ได้โ ส, สดาปิผลท่านยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสักทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ได้โสดาปิผลใช่ไหมป ร, รใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลกับพระโสดาบันเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น4 8สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลล่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วมิใช่หรือปอรใช่สกหากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผล ล่วงเลย โ, โสดาปฏิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลสธ์สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลล่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วยังเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลนนั้นใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งอรหัตผลล่วงเลยโสดาปฏิมักไปแล้ว ล่วงเลยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตาปรามาราคะโทสะโมหะที่เป็นเหตุให้จัตว์ไปสู่อบายได้แล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสภาวธรรมมีสักกายทิฏฐิเป็นต้นนั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปอรอใช่สก บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลล่วงเลยสกกะทาคามิผลไปแล้วมิใช่หรือปรใช่สกหากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลล่วงเลยสกกะทาคามิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกกะทาคามิผลสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผล ล่วงเลยส ก, กทาคามิผลไปแล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยส ก, กทาคาไมพนนั้นใช่ไหมปรอใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลล่วงเลยส ก, กทาคาไมมักไปแล้วล่วงเลยการมราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้แล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยการมราคะและพยาบาทนั้นใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลล่วงเลยอนาคามิผลไปแล้วมิใช่หรือปรใช่สกหากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลล่วงเลยอนาคามิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งอรหัตผลล่วงเลยอนาคามิผลไปแล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอนาคามิผลนั้นใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลล่วงเลยอนาคามิมรกไปแล้วล่วงเลยการมาราคะอย่างละเอียด พยาบาทอย่างละเอียดได้แล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยกรารมราคะและพยาบาทนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น409สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลล่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วไม่ใช่หรือ ปรใช่สกหากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลล่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลล่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลนั้นใช่ไหม ปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลล่วงเลยโสดาปติมภ์ไปแล้วล่วงเลยสักรยทิฏฐิล่วงเลยโมหะที่เป็นเหตุที่จัดไปสู่อบายได้แล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสภาวธรรมมีจักรยทิฏฐิเป็นต้นนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผล เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลล่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วมิใช่หรือปรใช่สกหากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลล่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วท่านไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลล่วงเลยสกทาคามิผลไปแล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสกทาคามิผลนั้นใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลล่วงเลยสกทาคามิมักไปแล้วล่วงเลยการมราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้แล้ว เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยการมราคะและพยาบาทนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น410สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลล่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วไม่ใช่หรือปรใช่ สกห้างบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลล่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วท่านไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลล่วงเลยโสดาปฏิผลไปแล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโสดาปฏิผลนั้นใช่ไหมปรใช่ <antig ua S 2> สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคาไม่ผลล่วงเลยโสดาปฏิมักไปแล้วล่วงเลยสักกายทิฐิล่วงเลยโมหะที่เป็นเหตุให้จัตไปสูปส่อบายได้แล้วเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสภาวะธรรมมีสักกายทิฐิเป็นต้นนั้นใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น411ปอรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผล เป็นผู้บริบูรณ์ได้ผลสามใช่ไหมสกใช่ปรบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลได้ผลสามแล้วไม่เสื่อมจากผลสามนั้นไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลได้ผลสามแล้วและไม่เสื่อมจากผลสามนั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผลสามปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผลสองใช่ไหมสกใช่ปรบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคาม่ผลได้ผลสองแล้วและม่เสื่อมจากผลสองนั้นไม่ใช่หรือสกใช่ปร หากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลได้ผลสองแล้วและมีเสื่อมจากผลสองนั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผลสองปรท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเป็นผู้บริบูรณด้วยโสดาปฏิผลใช่ไหมสกใช่ปร บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลได้โสดาปฏิผลแล้วและม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลนั้นไม่ใช่หรือสกใช่ปรห่างบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลได้โสดาปฏิผลแล้วและม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลนั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโสดาปฏิพันธ412สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลได้ผลสามแล้วและไม่เสื่อมจากผลสามนั้นดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้ผลสามใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลได้มรรสีแล้ว และไม่เสื่อมจากมักศีนั้นดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยมักศีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลได้ผลสองแล้วและไม่เสื่อมจากผลสองนั้นดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผลสองใช่ไหม ปอรอใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งอนาคามิผลได้มรักสามแล้วและไม่เสื่อมจากมรักสานั้นดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งอนาคามิผลจึงเป็นผู้สมบูรณ์ดรวยมรักามใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามมผลได้โสดาปฏิผลแล้ว และมีเสื่อมจากโสดาปิผลนั้นดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสักทาคามิผลจึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโสดาปิผลใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลได้มรรสองแล้วและมีเสื่อมจากมรรสองนั้นดังนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลจึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยมรรสองใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอปาราปิสมนนาคตะคาถาจบสสัพพสัญโยฉนับปะหานกคาถาว่าด้วยการละสังโยทั้งปวง413สกการละสังโยทั้งปวงเป็นอารหาัตผลใช่ไหมปรใช่สกละสังโยทั้งปวงได้ด้วยอาราัตมรช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตมรักษใช่ไหมปรใช่สกละสักกายทิฐิวิจิกิจฉาศีลปตะปรามาได้ด้วยอรหัตมรักษใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกละสักกายทิฐิวิจิกิจฉาศีลปตะปรามาได้ด้วยอรหัตมรักษใช่ไหมปรใช่ สกการละสังโยชน์สามอย่างได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นโสดาปฏิพลใช่ไหมปอ ร, รใช่สกหากการละสังโยชน์สามอย่างได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นโสดาปฏิผลท่านไม่ยอมรับว่าละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตมรักสี่ร้อยสส่อกอละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตมรักใช่ไหม ปรใช่สกและกา ร, รมราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอรหัมตมรรใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น415สกและกา ร, รมราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอรหัมตมรรใช่ไหมปรใช่สกความเบาบางแห่งกา ร, รมราคะและพยาบาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นสกทาคามิผลใช่ไหมป ร, รใช่สกหากความเบาบางแห่งกรรมราคะและพยาบาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสกทาคามิผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตมักสกละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตมักใช่ไหมป ร, รใช่สกและกมราคะอย่างละเอียด พยาบาทอย่างละเอียดได้ด้วยอรหัตมรัคใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น416รสกสกและการมราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดได้ด้วยอรหัตตมรัคใช่ไหมปรใช่สกการละกามราคะและพยาบาทได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอนาคามิผลไม่ใช่หรือปรใช่สก หาการละการมราคะและพยาบาทได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอนาคามิผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตมรักษ์สกละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตมรักษใช่ไหมปรใช่สกการละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นอรหัตผลมิใช่หรือปรใช่สกหากการละรูปราารปราคะอรูปปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอรหัตผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าละสังโยชน์ทั้งปวงได้ด้วยอรหัตมรสร้อยสเจ็ดปรท่านไม่ยอมรับว่าการละสังโยชน์ทั้งปวงเป็นอรหัตผลใช่ไหม สกใช่ปรสังโยชน์ทั้งปวงพระอรหันตละได้แล้วมิใช่หรือสอกอใช่ปรหากสังโยชน์ทั้งปวงพระอรหันตละได้แล้วดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าการละสังโยชน์ทั้งปวงเป็นอรหันตผลสาวพระสัญโยชนะปะหาณะกะถาจบจะตุทวรักจบรวมกถาที่มีในวรรนี้คือหนึ่ง ที่หอระหะติกะถาสองอุปติกะถาสามอนาสวก า, สสนนากถาสสมณนาคตะกถาห้าอุเปกขาสมนนากตะกถา 6. โพธิยาพุทโทธติกถาเลัคนะกะถา 8. ดนิยาโมโอกันติกะถา 9. ก้าอปราปิสมันนาคตะกถาก สัพเสัญโยชนป ะ, ะปหานกะถา